คนที่อยู่ในห้องนี่ยอาจจะมีส่วนที่เป็นอันต ร, รายต่อสุขภาพด้วยแต่นี้่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดแต่จะทำยังไงคนสูบบุหรี่กับคนไม่สูบบุหรี่อยู่ใกล้กันเนี่ยจะรู้สึกนะ เ, เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการสูบบุหรี่มันไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรในพรรษาเนี่เอาเทอดจะข้าพระเจ้าจะทดลองดูจะงดสูบบุหรี่รู้สิเป็นยังไงนี่แหละคือตั้งอาชีจะ้ะ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 แต่ขณะหลวงพ่อที่เป็นพระเนี่ยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่หลวงพ่อทำใจได้นะหลวงพ่อทำใจได้เพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อบอกแล้วว่าในโลกนี้นะ่ะที่ไหนบ้างออกมาพูดให้ฟังที่ว่าไม่มีคนชั่วไม่มีคนดีดีคนดีมยคนคนดีคนชั่วก็มีคนดีที่ไหนคนชั่วก็มีที่นั่นแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าด้วยสิ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 ก็ยังให้เลือกคบอีกต่างหากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปคบคนชั่วเอ อ, อเซวานาจะบาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวานาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมมังเออแปลเป็นาภาษาที่ฟังให้เข้าใจง่ายครับว่า อ, อ, อเซวานาจะบาลานังอย่าคบคนผานผานละชนคืออะไร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 อย่าไปบูชาคนที่ เ, เห็นเขามีบุญหนักสักใหญ่แล้วสารเว็วช่วยชาเสียหายเราก็ไปให้การบูชาอันนั้นไม่ถูกบูชาคนชั่วมีแต่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือท่านให้เลือกเลือกคบคน เ, เพราะนั้นพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันสาสารชนทุก หมู่ล่าก็เหมือนกันมีดีมีชั่วโดวยกันทั้งหมดเพราะนั้นให้พวกเราแยกแยะว่าอิงไหนคนไหนเรื่องอะไรกาละเทศบุคคลการสถานที่บุคคลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้จักแยกแยะนะเพราะว่าข่าวทุกวันนี้มันสื่อต่างๆดังระเบิดกระเทิงแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใช้ความคิดใช้แต่ความโง่หรือแล้ชื่อความไม่รอบคอบ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 ไม่มีกวนการเสียสละซึ่งกันและกันฐานะคานี้มันมีอยู่หลายระดับคืออามิ t h ทานคือการให้อามิตรคือการสงเคราะห์กันเรียกว่าอามิ t h ทานวิทยาทานก็คือให้ความรู้กับผู้ที่เขาด้อยกว่า เ, เรียกว่าวิทยาทานแล้วก็ธรรมทานก็คือให้ธรรมะคือในสิ่งที่ถูกต้อง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 ขโมยของใครก็ได้และราบประรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้พวกคนขาดจิติเมื่อคนขาดจิติและทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน้แนะนําบอกกล่าวให้พวกเราได้ศึกษาฟังรูซสิว่าหลักของพระไตรปิาาคือหลักเหตุผลการปกครองและการเป็นอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยเหตุผลนี่แหละคือ